ที่นี้มาถึงข้อสงสัยลำดับต่อไปที่ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงหลักการศึกษาหรือหลักธรรมที่เป็นตัวระบบการศึกษาโดยใช้หลักศิกษาสามแล้วเหตุใดเมื่อจะแสดงคุณสมบัติของผู้สอนจึงทรงเปลี่ยนไปใช้หลักพาวิสีข้อสงสัยนี้ก็ตอบง่ายๆอย่างที่บอกแล้วว่ามีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายในการตรสแสดงต่างออกไปเป็นคนละอย่าง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 และจับจุดถูกก็จะถึงกันกับหลักความจริงของธรรมชาติไม่ห่างเหินไปไหนที่จริงก็ดูไม่ยากขอให้ดูในสิกขาข้อแรกคือศีลที่ว่าเป็นการสื่อกับโลกติดต่อกับโลกทั้งรับจากโลกและกระทาต่อโลกตรงนี้แหละเห็นได้ชัดทันทีในสิกขาข้อศีล น, นั้นบอกแล้วว่า เราสื่อกับโลกทางประตูหรือช่องทางคือทวารสองชุดได้แก่ชุดแรกคือผัสสะทวารที่นิยมเรียกว่าอินทรีย์ซึ่งเราสื่อด้วยการรับรู้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นและกายและชุดที่สองคือกรรมทวารซึ่งเราสื่อด้วยการกระทำต่อและต่อกันกับโลกต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมและต่อสิ่งแวดลอ้อมอื่นๆ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 ที่นิยมเรียกว่าอินทรียคือตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งชุมทางคือใจเป็นหกเป็นการเห็นดูได้ยินฟังได้ดมกลิ่นรู้ลิ้มรส ถ, ถูกแตะต้องกายจบที่ใจว่ารู้ธรรมอารมณ์และชุดที่สอ ง, ก, งกรรมทวารทางธรรมกรรมคือกายวาจารวมชุมทางคือใจด้วยเป็นสาม เป็นการทำการพูดตั้งจุดเริ่มที่ใจคือคิดจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงแยกสองแดนย่อยในข้อศีลนี่เองเป็นสองข้อแรกในชุดภาวิศีและทรงตั้งชื่อภาวิตข้อแรกที่แยกการสื่อกับโลกทางภาษาทวารหรืออินทรีออกมาจากศีลเรียกเป็นภาวิตกายกายในที่นี้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 อย่างไรก็ตามในที่นี้เพียงกล่าวถึงหลักนี้ไว้แต่ยังไม่ลงสู่รายละเอียดส่วนแดนที่สองซึ่งจับเอาการสื่อทางกรร ม, มวาทขึ้นมาตั้งเป็นคุณสมบัติสำหรับตรวจสอบหรือวัดผลของการพัฒนาคนเรียกว่าพาวิศิ์กับแดนที่สมและสคือพาวิจิตและพาวิปัญญาก็ตรงกับสิกขาข้อหนึ่งในท่อนที่สอง และข้อ2และ3จึงขอผ่านไปขอเพิ่มเกร็ดความรู้ปลีกย่อยอีกเล็กน้อยว่าภาวิตกายคือผู้มีกายที่ได้พัฒนาแล้วหรือผู้มีกายภาวนานี้ที่ได้อธิบายว่าได้พัฒนากายด้านการสื่อกับโลกทางอินทรีย์ห้าหรือด้านการรับรู้ทางตาหูเป็นต้นนั้น บางทีอธิบายได้อีกนัยยะหนึ่งโดยขยายความหมายของกายในข้อนี้ออกไปมาถึงการสื่อสัมพันธ์กับโลกด้านกายภาพหรือด้านวัตถุทั้งหมดถ้าขยายความหมายของภาวิตย์กายออกไปเป็นอย่างนี้ก็ปรับความหมายของภาวิตข้อที่สองคือภาวิตศีลให้เข้าคู่กันเป็นว่าภาวิตย์ศีลคือผู้มีศีลที่พัฒนาแล้วหรือผู้มีศีลภาวนา หมายความว่าได้พัฒนาการสื่อสารสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์หรือการติดต่อเกี่ยวข้องแสดงออกทางสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยดีร่วมมือสามคัคคีและเกื้อกูลกันการให้ความหมายภาวิกายและภาวิสินอย่างนี้ยงไปถึงหลักการจำแนกศีลเป็นสี่หมวดหรือสี่ประเภทที่เรียกว่าปาริสุทธิศินสี คือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีลคือ 1. ปฏิโมขะสังวรศรีลศีลคือการสำรวมระวังตั้งอยู่ในปาติโมอันเป็นวิันแม่บทขอ ง, งสองฆ์ 2. ออินทรียสังวรศรีลศีลคือความสำรวมอินทรีย์รับรู้เช่นดูฟังอย่างมีสติให้ได้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ไม่ถูกอกุศลครอบงำ 3. อาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยสุจริตชอบธรรม 4. ปัจจัยปฏิเสวนาศีลหรือปัจจะย ส, สันนิสิตาศีลคือการเสพใช้สอยปั จ, จัจสี่ด้วยปัญญาที่รู้ความมุ่งหมายให้ได้ประโยชน์ตามความหมายและคุณค่าที่แท้ของสิ่งนั้นรู้จักประมาณ